ก็ได้พูดเรื่องการรู้จักยอมยอมรับความพ่ายแพ้ยอมที่จะให้เขาว่ากล่าวตักเตือนยอมที่จะได้น้อยกว่าคนอื่น อนหล่อนี่ก็เป็นการถูนกระสากิเลสเพราะกิเลสคือตัณหามรรติฐินี่มันมันมีแต่อยากจะได้อยากจะเอามันจะไม่ยอมที่จะสูญเสียไม่ยอมที่เป็นผู้แพ้มันจะไม่ยอมที่จะให้ใครมาว่ากล่าว ไม่ยอมที่จะเห็นใครการเกินหน้าเกินตาหรือมาข้ามหน้าข้ามตาในยิ่งคนที่มีความมีฐานะสูง มีสถานภาพสูงหรือว่ามีความสำเร็จแล้วการยกย่องนี่มันจะยอมยากแม้แต่ว่าคำทักท้วงเล็กๆน้อยๆก็ก็ไม่ยอมมันก็จะตอบโต้ หรือว่าต่อต้านขึ้นมายังมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นข้าราชการชั้นสูงในกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นคนที่ฉลาดได้รับเชิญให้ไปบรรยายในที่ต่างๆทั่วประเทศเป็นกรรมการที่จะ้เป็นหมดแกเป็นคนที่ สนใจไ ข, ข, ข, ข, ข, ข่ไขไขค้นคว้าฉลาดไอ้จริงก็นิสัยดีไม่เหมือ น, นรายการทั่วไปหรือก็ระดับสูงที่ถือเนื้อถือตัวแต่ว่าก็ยังมีความความความเชื่อมั่นตัวเอง เวลาไปทํางานนี่แกก็ไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องการแต่งกายเท่าไหร่เช่นผมนี่ก็ไม่ค่อยหวีภรรยาก็ก็ท้วงก็เตือนนะให้หวีผมอยู่ยบ่อยๆแกก็ไม่ว่าอะไรวันหนึ่งจะไปทํางาน ภรรยาก็ท้วงให้บอกให้วิผมล้โกัวขึ้นมาในใจพูดขึ้นมาใน ใ, นใจว่ามึงเป็นใครนะกูนี่วิทยากรระดับชาติเลยนะทำไมมาพูดกูอย่างนีนะ้แต่ว่าไม่ได้พูดออกไปนะถ้าพูดออไปก็เกิดเรื่อง แต่ว่าก็ได้เห็นเลยโอ้้อตัวอัตตานี้แหละตาตัวนี้ชื่อว่ามานณะมันมันไม่ยอมเลยแม้กระทั่งกับภรรยายก็ยังอวดอ้างความเป็นวิทยากรระดับชาตินี่มามาเถียงมาโตือมัน คือแค่คำพูดแค่นี้ก็รับไม่ได้อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวมานะตัวตาไม่ยอมไม่อะไรมาแตดต้องไม่รู้ว่าเวลาคือในแง่ม น, นก็แบกเอาตัวตนแบกเอาเอาความปเป็นวนะิทยากรมาแม้กระทั่งอยู่ในบ้านก็ยังไม่วางก็ยังแบกเอามาไว้อยู่ปนัมก็เลย ไม่ยอมรับคําวิจารณ์คําท้วงติงแต่ครั้นี้ถ้าเกิดว่าเราพยายามฝึกถ้าเราเห็นโทษของไ อ, ไอตัวอัตตาตัวนี้เราก็พยายามก็ฝึกใจให้ยอมรับมันก็จะใหม่ๆมันก็จะเกิดแรงต้านตัวอัตตาเขาจะไม่ยอมมันก็จะต่อสู้หรือว่าใครเขาว่าเราเราก็อยากจะตอบโต้ แต่ถ้ายอมที่จะไม่ตอบโตน้นี่มันก็จะเกิดแรงต้านข้างในอันนี้เนี่ยที่เดินตรงนี้ที่ต้องอาศัยคันติธรรมเพราะว่าพอใจของเราถ้ามันอ่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับเหมือนกับทำนบมังที่มันแตกออกมามันไม่แข็งแรงพอ และที่มันและที่มันน้ํามันแรงมันก็เพราะว่าเราไปส่งเสริมมันเองก็คือยอมก็คือทําตามกิเลสบ่อยๆทาตามกิเลสบ่อยๆมันก็จะมีกําลังมากเพราวนนันที่ผู้ไปยอมให้เรื่อยฝึกรู้จักยอมเนี่ยไม่ได้หมายถึงยอมตามกิเลส ย, ยอมตามกิเลสนี่มนไม่ต้องฝึกหรอกมันทําเป็นประจําอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องฝึกคือว่า ยอมที่จะยอมตามยอมที่จะทำสิ่งที่มันตรงข้ามกับความต้องการของกิเลสคือตัณหามนทิฏฐิอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการการฝึกในการการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนแต่ถไม่อยู่คนเดียวนะก็ต้องฝึกเหมือนกันโดยเพราะในการเจริญสติเวลาเจริญเวาเจริญสะติหรือทำสมาธิภาวนาเนี่ยมันจะมีอารมณ์ฝ่ายอากุศลหรือว่าอารมณ์ที่ไม่พึงปรานาเนี่ยขึ้นมาอยู่เรื่อยๆความเครียดความหงุดหงิดความรำคาญความเบือ่อ แล้วพอมันเกิดขึ้นนี่ในใจเราจะไม่ยอมจะต่อต้านจะพยายามเอาชนะมันก็ไม่ก็เลยทาไงก็พยายามไปกดข่มมันเอาไว้แต่ว่ายิ่งกดข่มมันเท่าไหร่ก็เท่ากับว่ายิ่งให้พลังกับมันมันก็ยิ่งใต้ใจ ยิงบางคนนี่เกิดภาพหลอนเกิดเสียงแววเนี่ยบางทีภาพหลอนเสียงแววนี่มันมันเป็นคำพูดที่อาจจะไม่ดีบางคนที่ได้ยินเสียงแววว่าตัวเสียงแววเร่งจัดพรัตนาไตร มั น, มนก็เป็นเสียงจากในใจของตัวเองนี้พูดเสียงจากพรัตนรไตรรูกส่อแบบนี้ก็พยายามไปกดขมมันเอาไว้อันนี้ไม่มีทางหายแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกต่อต้านกับมันมันจะเกิดขึ้นก็ช่างมันแต่ไม่ใช่ทําตามมัน ส่วนใหญ่เราไม่นอกไปวันจะไม่ยอมแต่ก็ไปต่อสู้ผักสายมันก็ยิ่งทําให้เกิดความเครียดมากขึ้นบางทีไม่ยอมรับว่าตัวเองมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นก็มีอย่างคนที่ติดดีมากๆนี่มักจะไม่ยอมรับตัวเองนี้โกรธไม่จะไม่ยอมรับว่าตัวเองนี้ มีความโลภมีความอิจฉา <c oughs> หรือแม้แต่มีความเศร้าเสียใจก็พยายามไม่ยอมรับนักปฏิบัติธรรมนะต้องจะเสียใจไม่ได้มันเป็นธรรมดา อ, อี่จจ่งทุกขังก็นัตายแเสียใจทาไมไม่ยอมรับอารมณ์ความรู้สึกของตัวบางทีอยากจะร้องไห้มันก็ ก็กดข่มเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้ทําอย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่วิสัยนะักปฏิบัติธรรมมีบางคนเข้าไปทําอย่างนี้กับคนอื่นด้วยนะไปงานศพรุ่นน้องรุ่นน้องก็น้ําตาซึมที่แม่เสียใจก็ไปพูดกับเขาว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมมาทําไมยังมาร้องไห้อันนี้คือความเข้าใจว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมันต้องไม่มีความรู้สึก ก็อย่างเหมือนกันที่พูดเมื่อสองสวันก่อนเนี่ยคนไม่เข้าใจแบบนี้ว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วนี่มันจะไม่ยินดีไล่ไร้ความรู้สึกหรือวแข็งทื่อนะที่จริงตามใจที่เ ป, ป็นปุถุชนมันก็เกิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาก็ต้องยอมรับมันยอมรับแต่ไม่ใช่ ไม่ใช่ทำตามมันเคลื่อเกิดความโกรธขึ้นก็ไม่ใช่ว่าทำตามความโกรธมันอยากให้ดากก่ดาก็ด่าไม่ใช่อันนี้แหละที่เราต้องสู้กับมันไม่ใช่แปลว่าให้ให้ยอมตะพึตะพืออะไรที่เป็นเรื่องความถูกต้องก็ก็ไม่ยอมแต่ว่าต้องยอมรับก่อนว่ามัน เกิดขึ้นในใจเราอันนี้แสดงเป็นความซื่อสัตย์ความซื่อตรงแล้วก็ยอมแล้วนะก็ไม่ผักใสมันก็ดูมันไปเฉยๆคนบางคนนี่ถูกพ่อดา่าถูกพ่อว่าบางทีพ่อทำร้ายด้วยก็เกิดความเกลียดชังพ่อ เกลียดมากอยากจะถึงขั้นอยากจะทำร้ายแต่ว่าใจมันไม่ยอมรับเพราะคิดว่าคนดีเขาไม่คิดอย่างนั้นกันกับพ่อคนดีเขาไม่เกลียดพ่อคนดีเ็าไม่ทำร้ายพ่อเพราะฉะนั้นก็พยายามกดข่มความรู้สึกนั้นน้อยไม่ยอมรับตัวว่าตัวเองมีความรู้สึกแบบนั้นกับพ่อของตัว ปรากฏว่ามันไปออกที่สารพภูมิแทนเห็นสารพภูมิแล้วก็เกลียดอยากจะเข้าไปทำร้ายทั้งเกลียดทั้งกลัวทั้งโกรธเห็นสารพภูมิเป็นไม่ได้นะมันมีความรู้สึกอยากจะไปทำร้ายตัวเองไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นแต่พอไปปรึกษาจิตแพทย์ถึงรู้ว่าเนี่ยอ๋อมันเป็นเพราะไอ้การ กดขม่มความเกียดชังพ่อไม่ยอมรับว่าตัวเองนี้มีความรู้สึกนั้นกับพ่อพอไม่ยอมรับก็ต้องกดขม่มกดข่มแล้วมันไปนไหนมันก็ไม่หายไปไหนมันก็มาโผล่ทางอื่นพคเวลาเราปฏิบัติทำนี่มันมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเงอย่างแรกที่ต้องทำคือยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วตอนมาคือว่า ทำใจเป็นกลางกับสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นก็ดูมันไปนะไม่ไม่ไปทำอะไรกับมันมันมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็เออดูมันล้วแต่หลายคนยกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจมันคิดมากเหลือเกินมันฟุ้งซ่านเหลือเกินไปเห็นความฟุ้งนะแต่ว่าไม่รู้ทันความกุ้ม อ, อกกลุ้มใจ เห็นชั้นเดียวแต่ไม่เห็นอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> ก็อาจจะกุ้ม อ, อกกลุ้มใจหรือเครียดเปกับความคิดฟุ้งซ่านเห็นความฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านแต่ว่าไม่รู้ว่ากำลังมีความเครียดหรือว่าความกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจอยู่ไม่รู้ทันมันและที่ความเครียดความฟุ้งซ่านก็คือหัวใจไม่เป็นกลาง ใจไม่ยอมรับให้ความฟุ้งซ่านนั้นคิดแต่จะผักใสอย่างเดียวคิดแต่อย่างจะจัดการกับมันอย่างเดียวมันก็เมือคนที่ป่วยป่วยจะเป็นป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามป่วยแล้วแทนที่จะป่วยแต่กายก็ป่วยใจด้วยทำไมถึงป่วยใจเพราะว่าใจมันไม่ยอมรับความจริงไม่รับความจริงว่าฉันป่วย มันอาแต่ตีโพยตีภัยนั่นแหละใจไม่รู้สึกยอมพอใจไม่รู้สึกยอมรับนี่มันก็เป็นกลางกับอารมณ์หรือเหตุหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้คนฉลาดนี่ก็จะป่วยแต่กายนี่ก็ไม่ป่วยใจนี่คนส่วนใหญ่ป่วยใจด้วยเพราะไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยมันก็พยายามที่จะ ต่อต้านใจมันต่อต้านมันบนมันวอยวายเกิดความเครียดเกิดความกังวลขึ้นมาเรียกว่าซ้ำเติมตัวเองคนเราไม่ใช่แค่ความป่วยความร้อนความหนาก็เหมือนกันเวลาร้อนเวลาหนามันไม่ใช่แค่ทุกข์กายมันทุกข์ใจทำไมมันทุกข์ใจเพราะใจไม่ยอมรับความจริง ใจไม่ยอมรับความร้อนความหนาวที่เกิดขึ้นทำไมมันร้อนอย่างนี้วาทาไมมันหนาวอย่างนี้เนี่ยก็บนขึ้นมาเนี่ยนี่นี่แสดงเรื่องการการไม่ยอมรับก็เกิดอะไรขึ้นก็เลยทุกข์ใจด้วยมันไม่ใช่แค่เกิดหนาวกายอยู่บนหนาวใจมันไม่แค่ร้อนกายมันร้อนใจเพราะไม่ยอมรับ ความร้อนไม่ยอมรับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นให้ลองสังเกตดูนะใจเรามันจะมีปฏิกิริยาสิ่งต่างๆอยู่เสมอไม่ยินดีก็ยินร้ายยินดีก็แล้วไปนะแต่พอยินร้ายนี่มันก็ทุกขึ้นม า, าการปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องฝึกให้ยอมรับอารมณ์ต่าที่เกิดขึ้น ยอมรับแต่ไม่ใช่ทำตามมันแต่การยอมรับหรือว่าการวางใจเป็นกลางนั่นแหละคือวิธีการที่จะทำให้มันสยบลงไปนี่วิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรายอมรับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นกับใจคือว่าเวลาไปเจอโน่นเจอนี่เจออะไรไม่ถูกใจก็ยอมรับมันบ้างอาการไม่เป็นใจ ยุงเยอะมแมลงมากน ะ, ะก็ก็ยอมยอมอันนี้ถือว่าเป็นเป็นวิธีการเป็นอุบายในการฝึกให้ใจเรารู้จักวางใจเป็นกลางกับสิ่งต่างๆวนะินทบาทโอยมันไกลบ้างหรือว่า ห็นครุกมันแหลมบ้างเออก็ลองยอมมั น, นช่างมันไอ้คาว่าช่างมันนี่ก็ก็เป็นวิธีการฝึกในการที่จะยอมรับความเป็นจริงไม่เป็นไรช่างมันไม่เป็นไรนมันก็ทำให้ใจเราก็เป็นปกติได้ใจเป็นปกติได้ก็เพราะวางใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางได้ก็เพราะยอมรับสิ่งต่างๆไม่ ไม่ต่อต้านไม่ผักไสมันอะไรเกิดขึ้นนะก็ก็ยอมรับมันมันก็ช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์แต่ว่าก็ต้องแยกนะว่ายอมรับไม่ไม่แปลว่าปล่อยปละละเลยนะอะไรที่ควรแก้ไขก็แก้ไข อันนี้ก็เป็นเรื่องการทําทําจิตแล้วพูดเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องการการทําจิตหรือการฝึกจิตนะ <c oughs> เช่นเจ็บป่วยเจ็บป่วยก็เออยอมรับมาป่วยก็ทําให้ใจไม่ทุกข์แต่ว่าความเจ็บป่วยก็ต้องรักษาไม่ใช่ว่ายอมรับแล้วก็เลยปล่อยปละแล้วเลย <c oughs> เราป่วยกายก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเพราะเรายอนรับความจริงแต่ขณะเดิกนก็รักษามันมีกลิ่นขยะโชยมามันมีเสียงดังขณะที่เรานั่งสมาธิหรือว่าฟังธรรมอ่อเราก็ วางใจเป็นกลางกับเสียงเหล่านั้นแล้วก็ยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นไม่บ่นไม่ตีโพยตีพายแต่ว่าเมื่อฟังเสร็จแล้วนะเราก็ต้องคิดว่าจะหาทางแก้ไข ย, ยังไงไม่ให้มันมาลบกวนอาจจะไม่ลบกวนเราแต่มันลบกวนคนอื่นเราก็ต้องนึกถึงคนอื่นนึกถึงส่วนรวมไม่ใช่ว่า พอวางใจเป็นกลางหรือว่ายอมรับแล้วมันก็เลยเฉยอย่ที่เคยเล่าว่ามีอาจารย์คนก็ไปออกข้อสอบถามนักศึกษาวิช า, าศาสนาว่าผู้ชายคนหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมานั่งสมาธิสงบนึกถึงคำสอนของอจารย์พระธรรมเทศาเรื่องสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นให้ปล่อยวางเสร็จ แ, แล้วสันทุลักษเสร็จกินข้าวเสร็จก็เอาขยะไปทิ้ง ก็มันมีที่ทิ้งขยะอยู่ในอยู่ในชุมชนเพราะว่าไปถึงไอ้คนทิ้งขยะกองขยะเยอะไปหมดเลยนะมันไม่เป็นมันเป็นกองเป็นมันไม่มีคนมาเก็บขยะก็เหม็นส่งกลิ่นเหม็นเหม็นกลิ่นเหม็นมันเหม็นเข้าไปทั่วทั้งชุมชนเลยเข้ากลับไปบ้านก็ยังได้กลิ่นเหม็น เก็อก อ, อทำใจปล่อยวางทำใจปล่อยวางวก็แค่นั้นจบนะอาจารย์ก็ถามนักษาวคิดยังไงกับความกับการกระทาของผู้ชายคนนี้นักษาส่วนใหญ่ปบอ์บอกเห็นด้วยนะที่จริงแล้วนี่มัน สิ่งที่ผู้ชายที่ทำนี่มันมันถูกแค่ครึ่งเดียวนะก็ถูกแค่เรื่องทำใจคือเหม็นก็ไม่ทุกไม่ทุกใจนะแต่ว่าต้องทากิจ ด, ด้วยนะทากิจคือว่าก็ต้องหาทางแก้ไขไม่ให้เขียมมาส่งกินเหม็นทำไงก็ต้องปรึกษาหาเรือกันกระชุมชนหรืทำอะรก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่ปล่อยปะละละเลย อันนี้ก็ไอ้คำว่าปล่อยวางนี่ไม่ได้แปลว่าปล่อยปล่ล้เลยปล่อยวางนี่มันช่วยแก้ทุกข์ใจส่วนทุกข์กายก็ต้องจัดการหรือว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมก็ต้องจัดการที่บอกให้ยอมรับยอมรับนี่ก็ยอมรับเพื่อในแง่ที่มันเป็นการฝึกจิตนะไม่ให้กิเลสหรือตัณหามนรทิฏฐิที่มันคลองใจเพราะว่านิสัยมันนี่มันไม่ยอม เราก็ต้องการทวนกระแสเพื่อทำให้มันอ่อนกำลังเราก็ยอมใการยอมนี่ก็เป็นการฝึกอย่างหนึง่งแต่ก็ต้องรู้ว่าบางอย่างมก็ยอมบางอย่างก็ไม่ควรยอมเช่นเรื่องความถูกต้องความผิดความไม่ถูกต้องก็ต้องก็ต้องคัดค้านก็ต้องแก้ไขหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการ แต่ทำด้วยใจที่ปล่อยวางอันนี้คนทำยากทำใจทาด้วยใจที่อยอมรับความจริงซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการฝึกเนี่ยบางอย่างบางอย่างเราก็บางอย่างมันแก้ไขได้แต่ว่าเราลองลองฝึกดูว่าเออเราจะยอมรับมันได้อย่างไรโดยที่ ไม่ไปโวยวายกับมันหรือว่าอาจจะยังไม่ต้องทำอะไรเพื่อแก้ไขมันแต่ว่าแค่ฝึกดูอย่างเช่นมแมลงเยอะเราก็ไล่ไปได้นะว่าแต่ว่าเร า, าก็ฝึกดูว่าเราจะทำใจได้ไหมอ่าล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องการฝึกต้องแยกว่าระหว่างการฝึกกับการกับการใช้ชีวิตจริงอย่างเช่นบางทีเราก็ต้องฝึกอดอาหาร เพื่อดูเพื่อได้เรียนรู้จิตใจของตัวหรือว่าฝึกออกไปทุดดงแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำนั้นเป็นกิจวัตรมันต้องแยกคนละส่วนเอาราวันนี้ก็เช้า ว, วันนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้เพราะว่าเดี๋ยววิเชียร จ, จะศึกใช่ไหมศึกก็เตรียมตัวได้เลย